1> 6 1จอย่าประมาทความตายมาถึงตัวเมื่อใดก็ได้วงเล็บเปิด13าพฤษภาคม2 5 5 0จุดจุดนาที25ห้าวงเล็บปิดอย่างหลวงพ่อนะหลวงพ่อมนตรีชวนให้บวชตั้งนานไม่บวชหรอกพอท่านว่าประมาทนะแม่ชีชวนให้บวชเลยถูกว่าประมาทนะฟังดูไม่เสียดายใช่ไหมในทางโลกอย่างนี้เป็นคนประมาทในทางธรรมนี่เสียหายที่สุดเลยคนประมาทคนขาดสติ คนไม่พัฒนาตัวเองคือคนประมาทพระพุทธเจ้าท่านตําหนิติเตียนดังนั้นโดนข้อหาประมาทนี่ในทางทำร้ายแรงในทางโลกเล็กน้อยรู้สึกไหมฆ่าคนตายโดยเจตนากับฆ่าคนตายโดยประมาทนี่นะประมาทมีโทษน้อยในทางโลกแต่ประมาทมีโทษมากในทางธรรมประมาทคือขาดสตินั่นเองลืมกายลืมใจไม่รู้แล้วว่าจะตายเมื่อไหร่ลืมหมดเลยคิดว่ากูจะอมาตะนิรันดร์การ สมัยก่อนมีเทปนะชุดมหาอมตะนิรันการมันนิรันอะไรพอขายหมดมันก็หมดแล้วศึกษาให้ดีนะศึกษาให้ดีคอยรู้กายคอยรู้ใจตัวเองอย่าใจลอยไปเสียเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งเรารักตัวเองแต่เราลืมตัวเองบ่อยที่สุดเลยรักตัวเองแต่ไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยดูสิคิดถึงคนอื่นส่วนใหญ่คิดถึงคนอื่นคิดถึงเรื่องราวภายนอกละเลยที่จะรู้กาย ละเลยที่จะรู้จิตใจตัวเองดำรงชีวิตเหมือนกับว่าชีวิตนี้เป็นของเที่ยงแท้ถาวรคิดเหรออว่าจะมีอายุร้อยปีถ้าเรายังรู้สึกนะว่าวันนี้ยังไม่ตายเนี่ยประมาทแล้วนะถ้าคิดว่าวันนี้ยังไม่ตายแน่นอนนี่ประมาทแล้วนะถ้าพูดอย่างพระพุทธเจ้านะแค่คิดว่าวันนี้จะตายแน่นอนยังประมาทเลยความตายเกิดอยู่ทุกขณะขณะแต่ไม่เห็นแต่ว่าเราอนุโลมนิดหน่อยนะแค่ว่าเคยรู้สึกไหย ว่าจะตายวันนี้มีใครเคยรู้สึกไหมถ้าไม่ป่วยหนักร่อแร่จริงๆไม่รู้สึกหรอกจะรู้สึกว่าคนอื่นอาจจะตายได้นะสังเกตไหมเราจะคิดได้นะว่าขับรถไปเนี่ยคนอื่นอาจจะโดนรถทับตายวันนี้ได้นะแต่เราจะไม่คิดว่าเป็นเราเราจะคิดว่าเราจะมีชีวิตได้อีกนานๆทีนี้ถ้าเราไม่ประมาทนะอย่าให้เสียใจทีหลังสมมติว่าเราตั้งใจไว้นะสมมติว่าเหมือนเราจะตายวันนี้แล้ว อะไรที่สมควรทําบ้างในวันสุดท้ายของชีวิตเนี่ยลงมือทําเสียตอนนี้เลยไม่ต้องรอให้ถึงวันสุดท้ายจริงๆหลวงพ่อมีญาติคนหนึ่งชวนภาวนาก็ไม่ภาวนานะเพราเข้าโรงพยาบาลเจ็บหนักแล้วถามว่าจะภาวนาอย่างไรช้าไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องลงมือทําในวันนี้กิจกรรมอะไรที่เราอยากจะทําในวันสุดท้ายของชีวิตนะให้รีบทําเสียก่อนเหมือนอย่างบางคนนะอยากจะบอกว่าเรารักพ่อแม่เราเหลือเกินรักแฟนเรา รักลูกเราแต่ไม่บอกเอาไว้ก่อนนะตอนจะตายถูกเขาใส่อะไรเข้าไปแล้วพูดไม่ออกแล้วอยากพูดก็พูดไม่ได้แล้วไม่ทันเราไม่รู้นะจะโดนเมื่อไหร่หลายคนเลยเห็นหน้ากันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแผลปียวตายไปแล้วถ้าแก่ขนาดหลวงพ่อแล้วจะรู้ว่าคนมันตายง่ายมากเลยมีอยู่คนหนึ่งรู้จักกันเป็นแม่ครัวอยู่วัดสาขาของหลวงปู่เทศแข็งแรงยังสาวทางานกระฉับกระเฉง วันหนึ่งกินข้าวธรรมดานี่เองแล้วสำลักข้าวอาหารเข้าไปในหลอดลมหายใจไม่ได้ตายเลยแค่สำลักอาหารทีเดียวก็ตายได้แล้วฉะนั้นเราสำรวจนะอย่าประมาทความตายถึงตัวเราเมื่อใดก็ได้อะไรที่เร็วๆอย่าไปเอาเลยบางคนกะสะสมทรัพย์สมบัติเยอะแยะเลยนะเอาไว้ให้ลูกหลานใช้ไม่แน่จริงหรอกคนที่สะสมทรัพย์สมบัติได้เก่งที่สุดคือใครรู้ไหมพระพุทธเจ้าพวกเราสะสมทรัพย์สมบัติไว้ ถามว่าจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้กี่เจเนเรชันในวงเล็บชั่วอายุคนพระพุทธเจ้านะเลี้ยงลูกพระหลานพระมาจน 2,500 กว่าปียังเลี้ยงได้อยู่เลยเพราะท่านมีคุณงามความดีตั้งแต่หลวงพ่อบวชใหม่ๆนะไปบินทบาตกลับมาฉันนี่นะจะรู้สึกซาบซึ้งพระพุทธเจ้ามากซาบซึง้งอาหารทั้งหมดนี้เขาไม่ได้ให้เรานะญาติโยมทั้งหลายเขาให้มาเพราะเคารพพระพุทธเจ้าไม่ใช่เคารพกูนะ ไม่ใช่กูเก่งกูวิเศษนะคนเข้ามากราบมาไหว้นะหลวงพ่อไม่เคยยื่นหน้าออกไปรับเลยนะคนเขามากราบมาไหว้รู้ว่าเขากราบพระรัตนตรยัยไม่ใช่กราบร่างกายที่ผุผูพังพังอย่างนี้เนี่ยใจเรานะมันไม่น่าด้านมันไม่น่าด้านพอจะไปแย่งคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าหรือของพระรัตนตรยัยอย่างโยมบางคนสงสัยว่าหลวงพ่อนี่หญิงชะมัดเลยนะกราบก็ไม่ค่อยจะมองนะก็โยมกราบพระรัตนตรัยนะ ได้บุญเยอะอย่ามาหลงกลาบร่างกายนี้เลยร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ได้มีประโยชน์อะไรนักหนาหรอกมันแค่สั ญ, ญลักษณ์ของพาตนาตรัยเท่านั้นเอง